พระธรรมเทศนาแผ่นที่106่อกลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าวาสนาเกิดมาดีแต่ไม่รู้จักดีเอ่อเป็นไงสัตว์ตายายยมลูกหลานไว้โอ้แอออัด ทำรู้จักว่าจะมามากกัน่ะแน่าจะนู่นอยู่ที่ศาลาก็ได้ให้ครูบานี่ยรู้สึกจะร้อนไปสักหน่อยนะลูกหลานนะวัดปุญญานุสรวัดหลวงพ่ออะไรฮะเออหลวงพ่อพกำพก่อกำแพงใช่หลวงพ่อกาแพงเขาใจสปอร์ตนะทํางานกับหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีหลวงพว่อกาแพงเนี่ยเท่าไร่เท่ากันเหมือนกันเถอะช่วงที่ไปจัดงานท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนะ ทำอย่างเงี้ก็ไม่ขึ้นมันกมันไม่ไปไม่มาเอาอคำแพงเอาเอายังไงวะเราวะออแล้วก็ท่านท่านก็เลยเอาอะไหลวงพ่อว่ายังเงี้ยเอายังงั้นแล้วแต่โอ้เสร็จเรียบร้อยโอ้ท่านเป็นเด็ดเดี่ยวนะหลวงพ่อคำแพงเราเนี่ยเห็นพระที่จริงจังที่เดียวหน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆอายุท่านสั้นเท่าไหร่อายุท่านจากไปห้าสิบสห้าสิบสามเหร นั่นใช่เป็นน้องหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเด่นนี้เท่านั้นะจะช่วงนั้นก็คงจะไม่เป็นนอกมากเท่าไหรแต่หลวงพ่อเด่นนี่เจนะ็ดสิบสองนั้นลูกหลานนะอท่านก็คงจะหกสิบกว่าถ้าท่านอยู่เนาะหกสิบกว่าแล้วเป็นในเจดีของท่านเสร็จหรือยังเน่ยเสร็จแล้ว อ, อ๋อแอสดงรองแล้วใช่ผงได้ยินอยู่ ผมติดธุระอะไรก็ไม่ทุกคันนั่นน่ะคิดว่าจะไปอยู่แต่พอเข้าจริงๆพอใกล้ๆวันไม่ได้ไปเป็นได้พี่น้องมาจากหนองวัวซอทั้งมหมดบมดนี่เหรอหนองแวงย่าวน้องน้องแวงเดิดก็ะมี่งตีบ่ฮะโอ้หน้ <c oughs> วนาว่งก็มิโอ้หลายหมู่บ้านด้วยะนะทังพูนได้คือกันผมว่าจากหนองวัวซอคือกันบมน่ะ อ๋อน้องม่วซอโอพี่น้องมาหลายอำเภอหนองม่วซ่อนเป็นอำเภอเก่าแก่ของคู่บาอาจารย์มีคู่บาอาจารย์หลายองค์จูแถบนั่นแถบน้องบัวบานเข้าไปทางในกัหลวงปู่ข่ำพ่องหลวงปู่อุน่น เ, เดี๋ยวนี้กับมีหลวงปู่ลี่หลวงปู่ ทำสาไฮาจยนเรียนลงปูวั่นไช่ลงปูมี่ลงปูผุนมี่แถวนั้นเป็นสถานที่ เ, เป็นวัดของพ่อแม่คู่บ่ายการพวกเข้าเป็นลูกหลานเพื่อนะสรุปแล้วลูกหลานเป็นคนดีนะลูกหลานนะแนวไหนมันบุตรีย่าเฮ็ดยาถ้ำยาพูดการทวพวกเข้าเฮ็ดดีนั่นไปสู่สวรรค์นิพพานล่ะ พวกเข้าได้เกิดมานในแรงที่ถูกต้องแล้วปฏิรูประเทสวาโซจะปุเพจะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิในมงคลสูตรของพระพุทธเจ้ามันบอกว่าปฏิรูประเทสวาโซจะเกิดในประเทศอันสมควรคือเข้ามาเกิด น, นี่แหละแถบเมืองอุดอรขนาดหลวงพ่อยมุกดหารหลวงพ อ, อยังไม่อยู่เมืองอุดอรเลย พอเห็นเลยพอมีค anyway ู่บายจานชุดพี่หลายเลยแอบหลวงพ่อก็บขืนมากกัมอยู่กับลงตามหาบัวเลยมาอยู่กับหลวงตามหาบัวเป็นเวลาสิบี่ปีนลูกหลาน2อ1 2ันรสอง2อ2 5จัรี่ห้างได้ออกมาอยู่หนึ่งจะออกมาอยู่หนึ่งพรอี่สบหอ่าแล้วก็ไปจำพรรษาบันเพิ่มปีหนึ่งปี2อ3 0รสจากนั้นก็อยู่หนี่ตลอดนะ จนถึง2 5งพนหา้ปีนี้แหละเมืองอุดรของห้าเป็นเมืองนักปราดอาจารย์ตั้งแต่พูนตะทาลายไปตั้งแต่จุนธรรมเจดี้ดนะจะคุณธรรมจีดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรตะกรอนเพื่อเป็นคนทาอุทเทนอำเภอทาอุทเทนจังหวัดนครพนมตามประวัติของเพล่ก็เป็น ลูกชิดเป็นแน่นหน่อยของออจกคุณชรพานโมนีชรพานโมนีเนี่ก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดของจังหวัดคนครพนมแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับนี่แหละลุงลุงปูมันเนี่ยมันลุงปูมันไม่เห็นบันเนี่ยเพิ่นไปเจอกันอยู่ใส่เพื่อนเพื่นเห็นเอ้แน่นน่อยแน่นจูมเลยแน่นหูกลางตัว น, นี้นะน่าจะส่งไปเห็นหนังสือหน้า ต่อไปไมันจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปไข่ภาคหนาส่งไปเรียหนังสือก็ดีนะส่งไปล่องคูกรุงเทพนะพ่อต่อมาเลยก็เลยเจ้าคุ้นเคยส่งเป็นเน้นใหญ่เลยส่งลงกรุงเทพไปอยู่วัดเทพสิรินนะไปอยู่อใส่แต่หลายๆแหง่งจนได้เป็นพกคู่ได้ปั่นเอเป็นใหญ่ขึ้นมาไปสอบทําไมค์กอนเขาสอบหลวงพ่อในยินนย่นประวัติผลนะยัง่งยังยังนึก ดึงึกเปื่อนอะนึกสงสา ร, รเพื่อนว่าเพื่อนไอเลี้ยนเก่งเน๊ะแต่เป็นคนบานออกมานในสมัยเขาเลียนน่ยเขาจะนังตั้งคณะกรรมการขึ้นมา่าเพราะตั้งคณะกรรมการขืนว่านี่มากันสอบเลยมันไปสอบตั้งแต่มาหาปรเลี้ยนสามจนหอดปรเลีเ้ ย, ยเนเก่าเท่าเดียวเลยสอบเท่าเดียวเลยตั้งนังสอบแล้วมันไปสอบถามถามถามถามถามถามเป็นขันเป็นตอน ถามตอบได้มดแปลว่าจบยังจมเด็กยังได้เป็นได้จบบรเด่นเข้าถึงสามใยเพราะอะไ้สอบข้าวเนี่ยถ้าสอบเอกทดลอ่ล อ, อ, ง อ, อ, ล อ, ดองความรู้เจ้าของสอบบาได้ก็บอติสอีกคนละไปเขาถามาคณะกรรมการถามแต่จะคุ้นธรรมจีดีบาเนเี่ถามบาลีครับแปลเป็นนี่พระมบรเนี่ยคนลนะับ แต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยก็ถามเข้ถามที่คุณมาเจดีเนี่ยปันไดพ้น <c oughs> พ้นบอกเป็นคนติดอ่างว่าจะไปบาราพ้นติดต่อ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อาชีพก่อนจะออกได้อยู่แต่ละค่ำหมล้วไปสอบตกหมดไปสอบบนันไดก็บตกอสอบบ่าไรพ่อต่อมาเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ปันให้สอบเป็นตัวหนังสือปันนอ้ไข่ก็ว่าให้เขียนเป็นตัวหนังสือแบบเข้าสอบคู่มือนี่แหละเออ มีอย่างเขาถามใ น, นกระดานแล้วใครตอบเพื่นได้สอบได้อยู่นะไปนะเพือสอบได้มหาศีประโยคได้ป่านนีพ่อตอมากเพื่นเขได้แต่ได้เป็นพักคู่อยู่ในกรุงเทพทั้งมหาทั้งเออเจ้าฟ้าเจ้าขุนทั้งกรุงเทพเอมหาจูมนาจะขึ้นไปทั้งอุดรเออเป็นมนทนอุดรต่กอนมันเป็นม่นทน้นเนมทนอุดรอุบลบ่ม่นทนอุดรบน่นข น, นม่นทนขอลาดลักษณะอยงนั้นแะ แต่ละม้นทนก็เป็นหลายจังหวัดบ้านในเพิ่งก็ได้ทรงมาเป็นม้อนทนอุดรจกุกุ้นธรรมเจดีนี่มาก็เลยเพิ่ก็เลยมาสางวัดโพธิสมพ่อด น, นี่ยแะขึ้นมาแต่สมัยนั้นธรรมายุทธกมหารนกายนี่ปกครองอันเดียวกันเบ้ากุกุนธรรมเจดเนี่นปกครองธรรมหาริยกายของ้มายุทธพร้อมหมดไปสมัยนั้นนะอพอวมีการปกครองร เ, เป่นวัรนายุทธเป็นราชาการที่ที่สเยเป็นผู้ตั้งขึ้น ต่อมากขเป็นรัตการที่หาเลยเป็นลูกของรัตการที่4เพื่อนก็ปกข้องแบบแบบบานเมืองเราไปต่อมากขเลยเห็นว่ามหาเนกกายมากกว่าเพื่นก็เลยขอแยกเป็นนกกายแลย้วก็ทำมาหยุดเลยเป็นสองแต่ทั้อย่างไรก็ตามต้องปูธรรมเจดีเนี่เพื่อนมาอยู่สกลุลอายุเมื่ออุดอรเนี่ยบานี้หลวงปูมันไปเทศสนาวาการอยู่ไ้ผู้ใดอยากจะบวช หลวงปู่มันก็เอาไม่ไปให้เจ้าคุณธรรมเจดีย์บวชให้เจ้าคุณน้ำธรรมเจดีย์และเป็นอุปชาให้พระในสายหลวงปู่มันเนี่ยเกือบหมดเลยเป็นอุปชาหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฝันหลวงตามหาบัวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่จามก็แม็นหลวงปู่ลาก็แม็นแ ม, นม่นมดแปลว่าเป็นอุปชาให้แห่งคู่บาอาจารย์ จริงทั้งฝลายอีสานนั่นแหละหลวงพอ่อเจงวาเมืองอุดอรเป็นเมืองเป็นเมืองถ้ำเป็นเมืองบ่ อ, บอกเกิดของครูบาอาจารย์ต้นตระกูลของผัวเข้าอย่างนี้นจะคุ้นธรรมาจีบดีเป็นภูบวัดไทยพระครูบาอาจารย์แต่ผลใดนี่เขาลงุงภูเทศในโบแมนต้องภูเทศเทศไปบวชมองอื่นจะเป็นบวชมองใดตรงพอกับบวดชถามประวัติบวเดชอ่านประวัติเป็นมันชัดเจนแต่ลืม แต่ว่ารูโยบพลบริบวดกับเจ้าคุณธรรมเจดีหลวงปู่จามเนี่พูดนะยุหอยไส้มุกดาหารพูดนะยักษ์างมาบวชหอดพีด่เด้สมัยนะ่ะย่างอีกต่างหากเดชจะมาบวชได้นี่แหละคู่บาอาจารย์ของพวะเข้านี่พอมาบวชแล้วกระจายในที่นีต้ต่อมาเ ก, กิดมีการปกครองกันทั้งไฟพระกันทะ เ, นาาาเาาาลาะกันได้บาณอิตฉาพภะได้ภาคอิจฉาพระหลวงพ่อเขาได้เดชข่ำพูดว่านะ หมาทั้งหลายเพราะเห็นหมาก็ยิงแข่าใช่กันอหมาก็บทะเลาะหมาเท่ากันงัวงขึกันการง่วเห็นงัวกับขุดดินใช่กันฮุบอฮุบโอคู่กันแต่การงัวเห็นไข้ก็เซื่อยันได้บ่อยหมาเห็นไข้ก็เชื่อหมาเห็นงัวก็ชื่อโยนไปแต่พอหมาเห็นหมาแล้วยิงแข่าใช่กันหลดมันก็แปลกงัวเห็นงัวงขึ้กันไข้เห็นไข้กันพอไข้เห็นไข้เนี่ แข่งเขาจะกันแรงแงแรงแงโหลดออกไปออิจฉากันหมดไปอมาทาคนคือกันหมดเลยขั้นคน้นปวดได้เป็นล่านขายยาใกล้กันหมดพี่อิจฉากระโดดกัอการล่าขายท่องกันไล่ขายล้านขายเสือผาขึ้นกันท่านักขั้นตอนนักขั้นขึ้นกันอิจฉากระโดดกันไปนี่แหละสรุปแล้วก็คนอยู่ในสาขาเดียวกันอิจฉากันแน่แมนบอกังฟ้ามนนลูกหลาน ที่หลวงพออ่อบอกคือๆบอกว่าหลวงพ่อบอกแมนจะได้การวาดหไปย่าคอยบอกให้ลูกให้หลานฟังเพราะนั่นพวเข้าน่าพ่อเป็นพระเนี่ยบางที่พระกอดขวากับพชรกันอแต่ น, นี่อิจฉากัน น, นี่นั่นแหละสมัยหลวงปู่ธรรมเจดียยูเนี่ยพ่อนอยู่ปบาทนี้พระกรรมฐานไปยูวงใดเนี่ยายบาดบานไหลหแต่เงี้หลวงหลวงพ่อนี่ยหลว ง, งพอ่งพอไหนท่าน ท่านอย่างนี้นอยู่ในลูกหลานรุ่นนี้เลืิญมาแล้วว่าเป็นอย่างไอแต่รุ่นก่อนโอ้บรรณจะคุณธรรม D, เจดีพ้นปกปองไว้ได้ป่านะเอ้ ย, อยมันอยู่ในปกครองของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าดูแลอยู่แล้วมันผิดอะไรบอกมาเดี๋ยวเราข้าพเจ้าจะจั ด, จดการให้อยู่ที่ไหนอยู่ได้พวกเมืองไทยอันเดียวกันจะคุณธรรมะเจดีว่าทำไมก็ในเรื่องเมืองอุดร น, นี่ เมืองอุดอรก็ดีเมื่อสกลนครก็ดีเมื่อหนองค่ายก็ดีไนะก็เลยมีพระกรรมฐานหลเพราะเหตุใดเพราะว่ า, าจุขุนธรรมเจดนะีเป็นปกคล้องอดูแลคุ้มคล้องใหนะ้อนะไรไปให้พวกเขาสังเห็นนะ เ, เนี่ยอันนี้สรุปแล้วก็คือพวกเขามาเกิดในปฏิรูปประเทศบ้านนะเนี่ยปฏิรูปประเทศเนี่ยนะประเทศที่พอแม่คู่บาอาจารย์จุขุนธรรมเจดีเนะี่ย เป็นประมุกประท่านและกัหลวงปูต่างๆที่เป็นลูกศิษย์เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปูหมัน อ, อที่เป็นอาจารย์ของจุขุนธรรมเจดีเนี่ยว่นเขาเคารพเนีเคารพหลวงปูหมันเคารพร้ายหลวงปูลาวานะเนี่ยเวลาไปกราบหลวงปูหมันยุบันน้องผือหน้าในเนี่พ่อปั่นแน่นน้อยนะเนี่ยจุขุ น, นธรรมเจดีไปกราบเนี่ก็สกุมหนาฟังะ หลวงปู่หมันเทศจังหวะว่าเก่าเนี่ยิีมเท่านั้นหล ะ, ะมีย่ยางถามยาคอยบอกเพื่นเาบหลวงปู่หมันเขาลบร้ายเจ้าพูนหลวงปู่หล่าเพ่อนบให้ฟังนะเพ่อนบอกให้หลวงพ่อฟังนี่แหละคู่บาอาจารย์รุ่นเก่าบาเนีคู่บาอ า, า, า, า, าจารย์แต่ละองค์ย่างหลวงหลวงปู่ออนหลวงปู่ออนอยู่หนองบัวบานพันกน่สั่งสอนพี่น้องประชาชนในที่นี่ก็มากไหม แล้วก็หลวงปูข่ำพ่องอีกหลวงปูอุ่นอีกอในแถบนั้นหลวงปูเขาวอีกกันหลวงปูบัวหนองแซงอีกหลวงปูเก้าอีกต่อมา ก, ก็หลวงปูลี่หลวงปูทำสหาหิกระรุนเหรนของขวกเข้าอีกสืบท อ, อดกันมากเพราะฉะนั้นพวกคณะชทตาญาติโยมหลวงพ่อจึงถือว่าพวกเข้าอยู่ในปฏิปรูปประเทศ เ, เป็นประเทศที่ในกลุ่มที่ เป็นคนมีศีลมีถรร้ำได้ฟังถ้ ร, ร ม, มาจากพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ถ้าว่าเข้าไปเกิดในกลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะเขวะแขวทะเลถลายไปยังอื่นก็ได้แต่ในพัวเข้ามาเกิดในทิณ น, นี่แหมจึงจัดเขาว่าอยู่ในปฏิรูประเทศธรรมาชาติกระบอกขาเข้าแผ่นดินกระบอกไหวน้ำก็บอท่วมอาหารการบริโภคก็พ่อเป็นพ่อไปพ่ออยู่พ่อกินถึงจะทุกข์จะจน เฮาก็ยังมีเขากินอยู่อ่าอ า, อ า, อ, าอาหารกับพ่อเป็นพ่อไปถ้าจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศเขาที่ห้องเห็นในสื่อต่างๆพวกเขาก็คงจะเห็นในสื่อวิทยุโทรทัศน์อา่าโซเซนเอ้ยังยูโทรอ ย, ยังนะอที่พวกพวกเขานี่คยเก่งทั้งนั้นอยู่แล้วนะแต่หลวงพ่อน่ยบอกเก่งดอกอแต่หลวงพ่อกับพ่อหูอยู่อ่แต่วาเบิงนึกว่าไงเบิลเลรอ บางที่ปางประเทศกูอดอยากบางที่ปแผ่นดินไหวน้ำท่วมคนตายไป ม, มากไหม้บางที่กันหัวใหญ่ๆหญ่ทองโตโตทองใหญ่ๆอีกขาดีบดีบอีกโตดำดำข้าไปเกิดในสถานที่นั้นแปลว่าข้าไปเกิดในสถานที่พิษทีพิษท่างบาปผ้าไปเกิดวันไปอั น, นี้พวกข้าวในบุญผ้ามาเกิดได้หลวงพอวานะ มาเกิดในเมื่ออุดอรของเฮ้ า, าในพื้นแผ่นดินไทยถึงจะทุกจากจนเฮ้ากับมีขา่าและก็พร้อมกันกัมีศีลมีถรำให้ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็คู่บาอาจารย์มีแต่สอนศีลสอนถ้ำให้พวกเฮ้าแนวมันดีเฮ็ดเนวมันดีนะลูกหลานเดอ้อเนี่ยมันปุริยาเฮ็ดเด้อนรกสวรรค์มีนะตายแล้วบ๊สูตรแล้วตายแล้วเกิดอีกนะนรกสวรรค์มีจรงิง ให้พวกลูกหลานประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนอด้วยมากคู่บาตรจานของเฮ้าเอ่อ่นตรสอนจังสีสายเออปฏิรูปประเทศสวสโะโสจ่าเนอพบแพทย์กตะปุญญาตาพวกเฮ้าคงจะได้ทําบุญไวในอดีตชาตินะเอ่อถึงเฮาจะเกิดในทิ่ใดเกิดในอินเดียก็าตามเกิดในพมา่าเกิดในลาวเกิดใน เ, เในขเมรจะเกิดไซก็าตาม พวกข้าวตั้งจิตอธิษฐานสาธุเนอร์ผู้ข่าเกิดมากพบนาชาติหนาะขออย่าได้เกิดในประเทศที่ยากจนแห่งแหล่งเกิดซึกสงขามแผ่นดินไหวไฟท่าธรรมชาติเบียดเบียนขอให้เกิดในประเทศที่มีคู่บาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนอะผู้ข่าเกิดในสถานที่ใดก็ตามอย่าให้มีโจรมีม้านอย่าให้มีสิ่ง ทำลายทำไรยขาพระเจ้าอันนี้คือความปาถนาของเฮ้าในอดีตชาตินะบ้านในพวกเฮ้าก็ได้มาเกิดามาเกิดในทินฐานจังสี่ละธรรมชาติกับพ่อเป็นไปดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคค้นก็เป็นผูมิศินมิถ่ำพ่อสมควรการธรามาหาเลี้ยงชีพก็บพอถึงกับอยากจนกันพูดไดขยันกับหาทรัพย์ได้กันไว้พูไดขี่ขานกัจนไปแนะ่ อันนี้คือทำธรรมชาติของพวกเขานี่เราอันนี้ไปว่าปุเพจั ก, กตะปุญจะตาพวกเข้าได้ทําบุญไวในอดีตจึงได้มาเกิดหมองจังซี่ทอนไปปัี้อัตะสัมมาปณิเตในธรรมเพิ่นวาดคณาว่าเข้ามาเกิดในทีหเหมาะสมแล้วเป็นที่ถูกต้องจังซี่แล้วปัีิเข้าทําตัวบบถูก่อนี้พอเกิดมาแล้วลืมเจ้าของมา บ่ซักบัจักสางบุญสางกุศลอย่างพวกเฮาเห็นนี่ยนะพอเกิดมาแล้วสัมมาเละเท่เมากินเหล่าเมา่ยับโซล่ า, า, ลานาริเป็นก้นเกเลบ่หุ่จักบ่เชื่อในบาปในบุญอีกต่างหากบ่เชื่อ ว, วันรกสวรรค์มิ่งต่างหากตายแล้วเกิดด้ยตายแล้วสู์ก็บ่ได้โสนใจ บ, บ่ได้สางบุญสางกุศลใส่เจ้าของอีกแปลว่าเฮาเกิดมาแล้วลืมตัวคนที่ลืมตัวเนี่เกิดมาลืมตัว ตกต่ำเนยบ่เนี่เกิดชาติเกิดอีกชาตินานี่หมุนลงหมุนลงละเรี่วลงไปเลยบเ่เนี่ยที่ไปเกิดเป็นไซส์กระปูหูระบเบิดนี่อาจจะไปเกิดเป็นพวกกระเลียงพวกหม่งพวกแมวแหมหรืออาจจะไปเกิดแถวอฟริกาก็ได้เพราะอะไรเพราะกำพาไปเกิดเด้มันเหมิดบุญเลยเด้พอเขาเกิดมาแล้วเข้าตั้งตนบอดีเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเนี่เกิดมาในพื้น เมื่ออุดอรของพวกเฮาแหละพอแม่ครูบาอาจารย์มีแต่แนะนําสั่งสอนให้เป็นคนดีประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้บําเพ็ญการทําบุญทําท่านเออเฮาขย่าตั้งอยู่ในความประมาทการทําบุญทําท่านตักบาตพระสงฆ์องค์เจ้าม่าบะปินตับาตร่านอาบาตเฮาก็ทําบุญตักบาตทําบาตตักใส่บาตให้เพ้นเป็นการว่างอุปนิสัยเอาไว้คานว่าเกิดพบนาชาติหนา ขั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหันพระประเจกพระเเจ้าพระพระพระธเจ้ามาบินธบาตรเท่าก็จะได้ใสซบาตเพิลนก็เป็นบุญเป็นกุศลมากไมก้ถ้านาวะพวกเข้าปู่ทางไปนะคานาวะพวกเข้าเห็นพระก็เชยมุขจักการทําบุญทําท่านนะพอไปเห็นพระพุทธเจ้าก็าเชยอีกเป็นพระพระหันมาบินธบาตร ก, ก็เชยอีกผลในสุดก็เลยเป็นคนอยากจนเพราะไร่เพราะ อันนี้สงท่านบอยมี่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นว่าทานได้ทำให้รุ้ยนะทําให้คนรุ้ยนึ่คืออันนี้อันนี้สงท่านได้เอออันนี้สงท่านคนที่มีอันนี้สงท่านในอดีตชาตินี่ยเกิดมาเนี่ยจะลุย้ยเอออย่างหลวงพ่อเคยเล่าเป็นชาติดอกไฮฟังนะพระพุทธเจ้าเจเดจประทับยูกุงสาวัตถีเนี่ยเอ่อพราะเจเดศจะเดศประทับอยูุกุงสาวสะะสาวัตถี บาตในพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินคล้องกงรุลงูงสาวัตถีแต่พระพุทธโอสถองในเสด็จอยู่ประทับอยู่ที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารวัดป่าเชตตะวันพระญาปิปเสนเนี่คลองกุงสาวัตถีแต่พระญาติปเสนเนี่มาวัดเกือบคู่มือมออกไปพระเจ้าแผ่นดินอตอนเช้ามาแล้วก็มาบางที่ก็ตอนแรงมาแต่มือ น, นี่ยมาพิดปกติมดมาตอนบ่าย มาตอนบ่ายแย่หมดแหลงก็บอเห็นย่หมือเศร้าก็บอกเห็นแต่มื่อนมาเห็นตอนบ่ายพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ถามว่ามหาบาพิษมหาบภิษทําไมจึงมาตอนบ่ายวันนี้พระเจ้าพระเสียรก็เลยบอกว่าโอ้ข้าพระองค์ไปขนเอาทรัพย์ของเศรษฐีเศรษฐีตายไม่มีลูกไม่มีญาติตายแล้วก็ประกาศหาญาดหาลูกไม่มีก็เลยไม่มีทายาดข้าพระองค์ก็เลยยึด ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีเข้าเป็นคลั้งเข้ามาเป็นสมบัติของหลวง เ, เป็นสมบัติของแผ่นดินข้าพระ อ, องค์ขนอยู่เจวันเพิ่งเสร็จวันนี้แล้วพระเจ้าข่าพอเสร็จแล้วก็มากราบได้มากราบพระพุทธองค์ในบ่ายวันนี้พระเจ้าค่าพระองค์ก็ถามพระพุทธเจ้าก็ถามว่าขนยังไงบอพระเจ้าประเสริฐบอกข้าพระองค์ได้เตรียมเกวียน500ร้อยเล่มไปขนเอาสมบัติของเศรษฐี เป็นเวลาทั้งเจ็ดวันพระเจ้าข่าเพิ่งเสร็จในวันนี้เออไปว่าก็าเป็นขนขาารถไฟรถชีบห อ, อกกับซีบรถหล่นประนานหรออือวะอันนี้มันขนมันขนใช้เกวียนขนออกไปหาล้อยเหลมรถสฟยางต่อ ย, ต, อยต่อยจะจี้หอดมากติเอาขนขนเงินขนท่องลงไปเออเอามาไว้ในข้างรวงพอนั่นพอแล้วพระพยาประเสริฐก็มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาปพิธเศรษฐีผู้นี้นะเขารวยมากเป็นศาตรที่เจ็ด ชาตินี้เป็นชาติที่เจ๊ดแล้วนะออกจากชาตินี้เขาสิจนในบาตรมดแหละมัดบุญลวนะ้ว่ะเขาเป็นภูมิมดบุญนะเหล่าเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเขาเขาได้รับบุญมากเมื่อคือกันกับเฮาเฮ็ดเฮาขายันเฮ็ดหน้าทนไปเฮ็ดหน้าธงหมกไงโอนไปขยันโยนไปบ้านแล้วก็นขนเขามาใส่เหล่าเพราะขนมาใส่เหล่าแบบบาตเนี่ยกิเกนเขาปาเนี่ย กินคู่ปีคู่ปีคู่ปี ค, ปคนไปบพเห็ดหน้าอีกแหมอ้อไปมากกมันกับมดแล้วแม่นบ่อละบางที่กันปีสองสามปีมันก็เม็ด ล, มละ 2, เ, ดลเข่าเขากินอยู่คู่มือได้แหมอันนี้คือกันอันในสงของเศรษฐีที่เขาตายไปแล้วนะชาตินี้เป็นชาติที่เจม็ดในชาตินี้แล้วนะพระยาประเสริฐก็เลยถามกลาบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าแม่นบาะแม่นบุญไอหยังพระเจ้าขา่า เขาจึงได้อเ น, นสง์ลุ้ยถึงขนาดนี้ mm hmm. แอนแบบาทนี่กันมาหมดมาหมดเอาเออมาหมดเอาเลยเนี่ย mm hmm. มันนาจะสืบต่อไปอีกมันจะมดไว้แต่ไปอย่างยังได้ลุยถึงขนาดนี้น mm hmm. คือเศรษฐีผู้นี่นะ mm hmm. สมัยก่อนเขาเป็น เ, เป็นปุโรหิตตาจานก mm ็เ hmm. มื่อเนี่ยคือเป็นองค์ข้ามณตรีนะร mm ู้ไหเป็นกองค์ข้ามณตรีของพระเจ้าแผ่นดิน บารนี่ยย่ำกรจะไปย่มสิษย์กไปเหตุงานในในเวียงวัง เ, เวลาจะเข้าไปในเวียงวังนะเพื่อนก็ไปกินเขาในตลาดต่อไปไปทานอาหารในตลาดพ่อทานอาหารในตลาดเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เห็นพระประเจกบินทบาตวะเนี่ยพระประเจกบิณฑบัตพระพระประเจกเพื่อนออกจากนิโรธสมาบัติเลยเพิ่นมากโปรดามาโปรดในชาวตลาดพ่อเศรษฐีไอพ่อพระโหิร ต, ตายจาย์ผู้นี้พ่อท่านองค์ขมวดตีเห็นเนี่ย เป่นกระประกาศในค้นในตลาดออใส่บาเดอ้อใส่บาตรเดอ้อลูกหลานใส่บาตรซัดทายาท จ, จ้มพ่อปเจกบิธาบาตมาแล้วพวกข้าวใส่บาตประคนก็บลมใส่บาพรพอองค์คมวนตีบอกเออพอใส่บาทแต่องค์คมวันตีนี่ชยชยวสมณะออหัวโลนกินเขา่าเราไปตีพุ่งอยู่ในป่า่นะบ่ได้เห็ดซอยการซอยงานยังในบา้านในเมืองเออ บ า, าล้วเพิ่นก็เดินเข้าไปในถ้ำงานในเวียงว่างนะพ่อนั่นแหละอันนี้สงของเพิ่นที่บอกประกาศให้คนทําบุญนะ น, นะอพอประกาศให้คนทําบุญอแต่ว่าตัวเองไม่ได้ทดําเลยบานเอประกาศให้คนทําบุญพ่อผลในสุดเพิ่นตายจากปโปลหิตตายจานไปขึ้นไปขึ้นไปชูบนสวรรค์ได้บานศพ่อพุทธเจ้าพูดว่าไปอยู่บนสวรรค์พ่อ จ, กจากสวรรค์มามากเกิด มาเกิดเป็นมนุษย์มาเนี่ยพ่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่รุ่ยเลยบาดเออนีย่ยพออเนกสง์บอกให้คนท้ำบุญเนีแต่พวกรวุ่ยขึ้นมาแล้วกินก็บปุ่ยไส้ก็บปุ่ยบาดเนี้ยเพราะมันเป็นของอเนิสง์ของเจ้าของถ้ำเลยไอ้ไส้บาดนึ่นก็เสียดายว่าแตเสียดายเงินหมดเยยาบันขาดหัวลอยหัวพันหัวหมืน่นหัวแสนน้นไปเออบอ ก, ก้ากินเศรษฐีพวกนั้นน่ยเออตั้งแต่เป็นเศรษฐีมาเน่ยใส่ก็กใส่ลองเถาเกา่าเกใส่รถเก่าเก่า เน้ำเข่าเนี่ก็เข้ า, เ ข, าเข่าเม็ดฮักกนไปเข่าเป็นนะเข่าหักนะเ อ, อเข่าที่เม็ดฮักนะมากินกับน้ำสมพักกุมกนไปพวกก็ว่าเข้าวมันสีแสบปไอนะเอานั่นอาหารของเศรษฐีผู้นั้นกนไปในตำราพระวอาเนี่ยในพระไตรปิฎกได้ไว้ในหลวงป่าวาเองเนี่นะเออให้พวกลูกหลานจากอ่านก็ไปอ่านหลดในธรรมะปฏทักถามาในพระไตรปิฎกกนไปมาในเศรษฐีผู้นั้นยกินน้ำต้มสมพักกุมเออ เนื้อพักุมเอาไปขายคนไปกินเท่านี้กับพ่อแล้วมันก็อยู่ได้อยู่ไ้เสื้อก็ะเสื้อขาดคาดล่องเท้าขาดๆาดล่องห้มคัดขาดของเสน่ห์ผมกระใสใหญ่กูไปใส่กูกับเขาก็เอินเศรษฐีขึ้นเงินกูกระเอิินก็ขึ้นจีทุกดอกเศรษฐีว่าคนไปพ่อไปใส่หนึ่งใส่แต่ของปอนปอนพ่อกาใส่ของดีเพราะเสียดายมันเอาไปขาย ต่ไม่จริงจักจี้แพ่งว่ายังคนออกไปนี่แหละเพลนว่าพระพุทธเจ้าเพลนว่าเพราะเศรษฐีคนนี้เขาไม่เคยทําบุญเขาประกาศให้คนทําบุญที่ของที่เขารวยมาเน่ยเป็นสมบัติของคนอื่นเขาอแต่ของรวยแต่ใส่บไวใกินบไวใใส่บไวใให้พวกเข้าสังเกตุนะขั้นบัวใกินอันนี้ที่เหนียวต่อเจ้าของเนี่ยวกาใส่ใช่เจ้าของอันนั้นแหละเศรษฐีเปรวา บอกให้ผู้อื่นทำบุญเจ้าของบอทำบุญหัวนไปนี่แหละอันนี้คือ um, พระไตปิดกเพลนว่าไว้ทสันมาในเศรษฐีรุวยปนิกตะตายได้บาทพอตายศาสตร์หนึ่งศาตร์สอดจนหอดศาตร์ที่เจ็ัวไปชาตร์นี้เป็นชาสตรที่เจ็ดบลยหอดาตรที่เจบาอันนี้สงอันนี้สงบอกให้คนทำบุญมาอง่มาหอดชาสตรที่เจ็ดมัได้บามดชาตินี่แหละ เออพอออกจากชาตินี้ไปแล้วเศรษฐีคุนี้เเราจะไม่ทํานายว่าเป็นอะไรนะเออให้ว่าแปลว่าเป็นคนทุกข์คนจนตามสภาพของเจ้าของเ อ, อที่ได้ใส่กับ ม, มาต่อไปพ่ายภาคนาเนีนะ่นี่แหละอันนี้ก็คือเ อ, อการทํำบุญทําท่านเข้ากับยาตั้งยุทธก้อนประมาตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้บาททำบุญตักบาทอันนี้ก็คือเ อ, อ เกิดมาพบนายชาตินายยากหน่อยเขาก็มีอยู่มีกินเพราะอันนี้สงท่านอนนี้สงทานคุ้มครองเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากอนนี้สงศิลเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดอันนี้สงสินคุ้มครองจะพบมีผู้ใดามากเบียดเบียนมากขีดขาเข้ามากะมวยของเข้ า, เามารดาลูกลาหลาบระลวงในสามีภรรยาคลองเข้าบ่มากี่ตัวตุ่มตุนหลอกล่วงเข้ า, าบ่กินเหล่าละกัอารวัด จะมาขามากแกงเฮ้าอันนี้พออเ น, น ส, ส่์ศีลเฮ้าคงครองแล้วอเนส่์สภาวนาไปตั้อกตั้งใจภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เน่งและจากนั้นเฮ้าของหูจักว่าเป็นผู่มีสติเป็นผู่มีปัญญาพ เ, นนเพราะเหตุใดเพราะอเ น, นส่งแห่งการภาวนานมันเรื่องปัญญาเด้หลัจากนั้นกันหูแจงรู้แจ ง, หแจงเห็นจริงพอจิตใจสงบ ล่องเป็นหนึ่งเท่านั้นละ่ะยังพระพุทธเจ้านะเผลนไปนั่งภาวนาอยู่เงาต้นโพนพ่อจิตใจเพลนสงบหนึ่งนะเออเพนลนระลึกชาติขนหลังได้เลยปุเพนิวาสารุสติยานจุตูปปาตยานอาสาวะขยะยาน น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าเพลนใดย่า น, รนารัศน์สามในวันเดือนหกเพ่นอันนี้เข้ามาถึงขนาดนั้นเขาก็นั่งภาวนาจิตใจเข่าสูขความสงบพ่อจิตใจสงบหนึ่งเท่านั้นละ่ะเขาจะหูจักเลย ร่างกายของเขาเนี่เป็นอันนึงจิตใจของเขาเนี่เป็นอันนึงกายกับใจเนี่เป็นคนละอันกันได้บางเนี้ยร่างกายก็คือกระปลดลงพอเปรียบเทียบสงสนนารได้บางนี่ยจิตใจเหมือนกับคนขับรถนั้นลูกหลานเนอะรถกับคนขับรถนมั่นใจมั่นจใจเป็นคนละแนวกันแต่ในหลักของพระพุทธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าบอนว่ามโนปุพังขมาธรรมมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจเป็นใหญ่ สรุปสรปแล้วคือร่างกายคือกันกับรถเจ็ดใจคือกันกับโซ่เฟอร์รถพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญโซ่ฟดเฟอร์รถมากกว่ารถรถขั้นนี้มันจอดอยู่นี่โซ่เฟ้อขึ้นไปสตาร์ทเครื่องก็จะตาร์เครื่องขึ้นมาแล้วก็คับคับรถชนกําแพงก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้ชนคนก็นได้เอาลงนล้ำลงคลองล่งเหวก็ได้พอสุพเฟอร์เป็นใหญ่ได้แมนบัล่ะ เอุดแทนตรถนี่กับุดแทนตัวซูโร์จะพาไปแล้วเอซูโร์มโหขึ้นมานี่กเอ้บ่มีเอกดขีโซเฟอร์ขี่เมาบังซูโฟร์มโหบังเอซเฟอร์มดทะลุบังเอซูโร์บ่มีศีนมีธรรมในจิตในใจมันเหตุไหนมัดวนออกไปพราะขับรถล่ะนี่คือกันใจของเขานมาคล้องร่างกายนี่ยพอมาคล้องร่างกายตนี่เอบอกให้ดาก้นก็ได้ไป พอใจบ่เป็นธรรมเลยมันคิดขึ้นมากด้วยพอคิดขึ้นมากคิดอยากด่าคนก็เลยด่ดาพอ่อด่าแม่ด่าพี่ด่าน้องด่าวงสาขาญาติก็เลยด่าไผ่ก็ได้แล้วจะคาไผ่ก็ได้จะขโมยของไผ่ก็ได้ลาะหลับลาหลวงนี่สามีภรรยาของไผ่ก็ได้จะขี่ตัวไผ่ก็ได้เพราะเหตุใดเพราะใจคือใจคือมโนตัว น, นั้นละ่ะมอเป็นศีลว่าเป็นธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเข้าเนี่ยมาอบรมเรื่องศีล ศีล ส, สมาธิปัญญาอบร่มศีลธรรมจริยธรรมเข่าสูจิตเข่าสูใจขันว่าจิตใจดวงนั่นแหละเป็นผู้มีศีลมีธรรมแหละไปอยู่ใส่ใลมเย็นเป็นสุขมั่บาทเป็นวาสนันนะจนสำลระจิตใจจนได้สําเร็จเป็นพระอรยอรหรันเป็นอริยะบุคคลนี่แหละลูกหลานด้พวกข้าได้เกิดมาในพื้นในประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เกิเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็พวกเขากันเี่ยพี่น้องลูกหลานทุกคนก็อยู่ในประเทศอยู่ในกลุ่มปฏิรูปประเทศขอให้พวกเข้าลูกหลานทุกคนเนะี่ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างสูงบ่บุญกุศลเข้าสู่จิตเขาสู้ใจแล้วก็ขอให้พวกเข้าประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสริงใดอยู่ในศีลในธรรมขอขอยสมหวังดังปราถนาและลูกหลานเนะี่ เอามอบกราบลงลูกหลานคณะสงฆ์พระลูกพระหลานทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมได้มากราบคารวะหลวงพ่อในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกลูกหลานทั้งหลายคณะพระสงฆ์ลูกหลานทั้งหลายคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ประมาทผาดพางหลวงพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ หลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทอญ